เมื่อวานหลวงพ่อกับพระสงฆ์เก้ารูปไปฉันที่เรือนจำกลางอุดรท่านผู้บัญชาการมาเนมนลท่านได้รับโล่ดีเด่นของเมืองไทยได้รับโล่พร้อมกันกับจ่าเพียนจ่าเพียนภาคใต้ใท่านก็ได้รับทั้งหมดสามสิบห้าคน เป็นบุคคลดีเด่นเป็นคนซื่อตรงเป็นคนตั้งใจทํางานแต่ว่าโลกที่ได้รับมัแปลกอยู่อย่างหนึ่งเป็นยมพบาลแค่ว่าเป็นลูกยมพบาลแค่ว่ามีเขาด้วยนะเออแล้วก็มีไม้ด้วยเขากค ง, งจะคิดว่าพวกนี้เป็นพวกพวกซื่อตรงเหมือนกับยมพบาลไม่คดไม่เกี้ยวใครผิดก็ว่าตามผิดใครถูกก็ว่าตามถูกะ คงจะได้รับความซื่อตรงเหมือนโยมพบาลอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะแต่ท่านก็ได้รับอะไรสายสะพายอีกด้วยเมื่อวานจานั้นก็มีท่านพิพากษาหัวหน้าสารสารแขวงสารอะไรมามากแล้วก็ผู้กากับเมืองอุดรพวง ก, กับอำเภอเมืองอุดรแล้วก็มีหลายคนมาเมื่อวัน หลวงพ่อไปก็เลยไปใช้สายบอกว่าข้าราชการจะมาสายสักหน่อยนะหลวงพ่อขอนมนไปสายสักหน่อยหลวงพ่อก็เลยไปถึงประมาณเกือบแปดโมงเจ็ดนาิกากว่ากว่าจะเข้าไปกว่าจะทําพิธีก็ประมาณเกือบแปดนาฬิกาอย่างนั้นก็ได้สวดมน์พอสวดมน์เสร็จแล้วก็ต้องได้นั่งคอยเพราะคนที่ อะไผู้ต้องโทษผู้ต้องขังผู้ต้องขังใส่บาทรว่างั้น ก, นกันเนี่ยเขาโอนะ้เห็นแล้วก็บางทีอกตีใจนะเห็นพระเห็นดูดูมองมองดูกันยิ้มแย้มแจ่ ม, มใสเขาใส่บาททั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงใส่ก่อนผู้ชายเขารออยู่จากนั้นเจตนานก็ใส่กว่าจะเสร็จได้โ อ, อ้ใช้เวลานา น, านพอสมควรทั้งหมด ถามผู้บัญชาการท่านบอกว่ามีเท่าไหร่นักโทษมีอยู่สองพสองันเก้าสิบกว่าคนว่าสองพันห้าเท่านโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาแต่พวกมีแต่พวกโดยมากมีแต่พุ่นรุ่นรุ่นการทำงานทำการทำงานทั้งหมดประมาณยี่สิบสาสบสี่สิบรสามสิบมันจะมากตามสายตาหลวงพ่อดูๆทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชาย น่าเสียดายกำลังกําลังพัฒนาประเทศชาติเอาไปไว้ที่นั่นทั้งสองฝันกว่าไม่ใช่น้อยแต่จะทํำยังไงได้่ะเพราะมันดื้อเขาก็เลยไปขังไว้โทษมากบางน้อยบ้างแต่ยังเห็นตาบอดอีกตาบอดติดคุกก็มีอีกเอา้าวทาไมตาบอดถึงติดคุกเนะีเ่ยมาเวลามาจะมาใส่บาตรเขาก็จูงมือมาเหมือนกันมนันทาบุญอีกอ่ ตาบอดเนี่ยไปทำยังไงด้วยพึ่งตาบอดก็ไม่รู้ตาบอดติดคุกเหงือนกันเมื่อวานเห็นแล้วก็โอ้พี่น้องลูกหลานได้วะ่ะจากนั้นก็ก่อนที่ไปก็คือท่านผู้บัญชาการเมื่อสองปีที่ผ่านมาท่านมาที่นี่ท่านมาอยากจะได้มนตบอะมนตบในคุกเพราะมนตบสร้างมาตั้งแต่สร้างคุกเมืองอุดรอะมนตบ ก, ก็คือ ที่ใส่ที่หอพระพุทธรูปเนี่ยหอพระพุทธรูปเวลาคนจะเข้าออกก็ยกมือไหว้เนีเหมือนกระสานพระภูมเน่ยแต่นี้ใส่พระพุทธรูปเหมือนกันใครนักโทษตกทุกข์ใจยากยังไงก็ไปตั้งจิตอธิษฐานในมณฑลเน่ะมีพระพุทธรูปตั้งมีชื่อพระพุทธรูปแต่สมัยเก่าแก่แล้วงั้นแต่เนี้มันสุดข้างล่างก็เลยมาขอ หลวงพ่อก็ถามว่าเท่าไหร่ท่านก็บอกว่าประมาณสักแสนแสนหนึ่งหรือแสนสองนั่นแหะหลวงพ่อเออเอาโอเคหลวงพ่อก็ตกลงก็เลยมอบปัใจจัยให้ท่านบอกว่ามันขาดแต่วัส ด, ดุแต่ค่าชวนแรงงานนั้นจะเอาพวกต้องขังเนี่ยผู้ต้องขังเนี่ะมาทําเองเหลือยังขาดตะก้าวัส ด, ดุหลวงพ่อก็เลยให้ไปแต่ท่านจะเลยหาเพิ่มเติมอีกว่ะ พอไปเห็นโอ้หลังบักใหญ่ปลเรือปลาสางงามสวยหอพระมนดบตั้งนันหมดไปประมาณสักสามแสนกว่ากว่ามั้งกันวาผมได้หาเพิ่มเติมอีกหลวงพ่อเออแล้วก็มีชื่อหลวงพ่ออยู่ในนั้นด้วยนะอ ย, อยู่ในอยู่ในเรือนจำกลางอุดรนะพอหลวงพ่อได้สร้างหอพระมนดบพระจากนั้นก็ ไปฉันจังหันเมื่อวานเฉันจังหันสายนะเมื่อวานเนะี่ยคิดว่ามันจะอร่อยมันก็ไม่อร่อยเหมือนกันนะมุนสันสายสายผิดเวลาเัมือนกันนะเราเคยฉันเช้าเนี่ยพอไปฉันที่นั่นได้ก้าวโมกว่านนะ่ะก็ดีไปเห็นลูกหลานจากนั้นเขาไปถวายเครื่องเทตุปจัจจัยไทยธรรมของนั่นอนะ่ะแต่พวกอาหารตักบาตเนย ดูๆแล้วหลวงพ่อดูแล้วมันเกือบสิบเกือบสิบยี่สบถุงมั้งถุงปุ๋ยทํำนนงั้นท่านพวกอขนมนมเลยพวกคนในเรือนจำเนะ่ะพวกคนนักโทษเนะ่ะเขาใส่บาตรเหมืนนอนั้นหลวงพ่อก็ถามเอ๊ะนักโทษได้เงินมาจากไหนมาซื้อขนมเหล่านี้มาเขาบอกว่ามันเป็นเงินของพี่น้องสงให้จากนั้นเขาก็มีคนไม่ไ ม, ไม่มากแล้วก็มาซื้อเนี่ย ซื้อโปกขนมในเรือนจำํำมีที่ขายอยู่เหมนสั่งซื้อมาเขาก็มาใส่บาตรเห็นแล้วก็โอ้น้ําใจคนไทยถึงจะตกทุกข์ได้ยากยังไงก็ยังอยากจะทําบุญอือยากจะเห็นครูบาอาจารย์พ้นับถือพระพุทธศรารสนามาแต่ปูย่ย่าตายายแต่บรรพบุพรุษพอเห็นพระเห็นเจ้าจะใส่บาตร ท, ทาบุญนะโอ้กุลีกูจอเห็นนละ้วเมือวาน ใส่เข้าไปใส่บาดถุงปุ๋ยเกือบสิบยี่สิบถุงมั่ง เ, เขาตกเอาออกเอ อ, กออกมาหลวงพ่อก็รับเออหลวงพ่อรับระเดอ้ออาหาร ấy. เนี่ยแล้วก็มอบให้ผู้บัญชาการแล้วก็ให้ท่านคณะที่เกี่ยวข้องน่ะเอาไปแจกพวกนักโทษที่ ที่เป็นประโยชน์อท่านผู้บัญชาการท่านก็เป็นหมหาป ร, รีย์เก้านะปะทอเก้าท่านเป็นคนศิลคนธรรมคนวัดคนวายจนได้จนได้นนรับโลเหมือนกันค่ะรับโลดีเด่นเป็นคนซื่อตรงเป็นคนซื่อสัตว์นะท่านก็บอกเออหัวหน้าหัวหน้าเขตหัวหน้าแดนนักโทษทั้งหลายนี่นะอาหารให้แบ่งๆกันนะเฉลีย่ยเอาให้ผู้ที่สูงอายุ แล้วก็ผู้ที่ไม่มีญาติมีอยู่แล้วให้นั่นแหะเน้นไปทางผู้สูงอายุแล้วกับผู้ที่ไม่มีญาติเนี่ให้มาเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีอยู่อาหารเอาแจกๆทั่วถึงกันนะท่านก็สั่งลูกน้องท่านจากนั้นเขาถวายปัจจัยมาอีกถวายหลวงพ่อมาสามพัน ระตาไว้พระที่ติดตามแปดองค์องละพันบาทก็เป็นหมื่นกว่าบาทหลวงพ่อก็เออเอาปัจจัยหมื่นกว่าบาทเนี่ยที่มาด้วยก็คือเป็นลูกศิษย์ลูกค้าเป็นพระของหลวงพ่อถ้าองค์ไหนมีความจําเป็นเ่อไปเอาที่วัดก็ได้หลวงพ่อจะให้ถึงมันเกิดที่นี่หลวงพ่อวันน่าจะสงเคราะห์เตือนจําซะมอบให้ทั้งหมดมอบให้ผู้บัญชาการและคณะผู้เกี่ยวข้อง สายยงสายยูกุญรงกุญแจกอกนงกอกน้า อ, อันไหนที่มันเสียที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์กับคนในเรือนจำนี่ก็ใช้ได้เลยนะมอบให้ให้เกิดประโยชน์อะครับผมกำลังหาทุนอยู่หลวงพ่อผมอยากจะได้เครื่องทำน้ำเย็นน้ำร้อนที่ใส่เสียบไฟแล้วก็ให้นักโทษได้ดื่ม ดีละหลวงพ่อมอบให้ก็คงจะได้ประมาณเครื่องละสี่พันมถามว่าถามทุกคนนนั้อ อ, ออกมาว่าเขาติดต่อว่าประมาณเครื่องละสี่พันก็คงจะได้สามสี่เครื่องอยูมา้งเนี่ยเคยคิดว่าคงจะไม่พอแนะ่ะแต่นี่มีไม่ใช่แต่เราได้สองหมื่นนะมีคนที่ติดตามหลวงพ่อเข้าไปก็จะสมทบเข้าไปอกีกได้สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทก็คงจะได้ประมาณสักสี่เครื่องนะ เรียว่าท่านจะเอามาใช้ในจุดนี้ครับหลวงพ่อคือเอาดีเมื่อวานหลวงพ่อก็เข้าไปฉันจังหันเสร็จแล้วก็ออกมาตรงมาวัดเลยแล้วก็พอมาถึงวัดพักหน่อยหนึ่งครูบาอาจารย์บ้าฑชุมพลผู้รับเหมาผม ห, หลวงพ่อก็นัดมารับปัจจัยเมื่อวานเนี่ยวัดของเราได้ช่วยถ น, นนโรงเรียนบ้านชุมพลนาคังอะ ปีที่แล้วเนี่ยช่วยสายหนึ่งทางหันหน้าเขาทางโรงเรีย น, นยช่วยข้างซ้ายปีที่แล้วเนี่ยประมาณแสนกว่าบาทแสนหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะแต่ปีนี้ทางด้านขวานมันยาวกว่ามันยาวกว่าแล้วก็เลยใช้เงินไปเมื่อวานจ่ายไปให้คณะกรรมการวัดจ่ายให้ผู้รับเหมารุ่งชายบกเนี่ย หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งแสนเก้าหมืนหนึ่งพันแต่เขาถอนคืนหนึ 1, ่งพันเ้าเขาส่งคืนเขาเอาหนึ่งแสนเก้าหมืนหลวงพ่อมอกไปแ ล, แ, ลแล้วเมื่อวานนั้นพวกเราทั้งหลายรับผู้รับทราบเนีราววัดวาศาสนาของเราก็ช่วยๆกันถ้าหลวงพ่อรวยกว่านี้ก็คงจะให้มากกว่านี้อันนี้ก็หลวงพ่อยังจนอยู่อย่างพวกเราเหตุ น, นึกอย่ผู้ที่มาเกี่ยวข้องเอา ต, ตุดตัดมาเราก็แบ่งซ้ายแบ่งความแบ่งหน้าแบ่งหลังแบ่งใส่วัดบ้างข่า่น้ำข่าไฟบ้างอาวงอาหารบางังเนีที่มันพอเหลือๆก็เอาช่วยเหลือชุมชนสังคมพอที่จะช่วยได้นี่แหละอันนี้ก็คือปัจจัยสี่ที่พวกเราได้มาในวัดของเรานะถ้ามันรู้แล้วกว่านี้เราก็คงจะช่วยได้มาก แต่นี้เราก็รับมาอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเนะี่ยอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ปัจจัยสี่นะปัจจัยสี่สำหรับแบ่งปันวัดวาศาสานาอยู่ได้พี่น้องประชาชนชุมชนก็ต้องอยู่ได้เพราะพี่น้องประชาชนก็นี่แหละ พัฒนาศาสนาก็อาศัยซึ่งกันและกันถ้าใครมีมากเออเฉลี่ยให้กันนะถ้าคนไหนมีน้อยก็มีความจําเป็นไหมผู้มีมากเออเอาก็แบ่งให้นีหละถ้าว่าโลกทั้งโลกมีการแบ่งปันกันอยู่กันกินกันใช้โลกทั้งโลกก็จะมีความสงบร่มเย็นเป็นถุกเพราะเห็นใจกันนะแต่ถ้าหาว่าคนที่มีกับไม่มองคนจนเลย พอที่จะแบ่งปันได้ก็ไม่แบ่งใครในโลกทั้งโลกจะเดือดร้อนแท้เพราะเดือดร้อนไปเดือดร้อนใครทีนีนไอ้คนที่จนมันก็ออกกลายเอเป็นเสือสิงกระเทงแหลกเข้ามาอะไรวไหนแปรป่นจีเพื่อปากเพื่อท้องจากนั้นก็กดหมายกับคุ้มครองเข้ามาอะไรมงเออจุงเหยงวุ่นวายไปหมดคนในชาติสรุปแล้วก็คือขาดการแบ่งปันขาดน้าใจ ขาดการเฉลียวเผื่อแผ่นี่หลหลยของพุทธศาสนาถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วทานะคำเนี่ยคือทานคำเนี่ยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเล็กน้อยมันเป็นการเป็นเรื่องที่ใหญ่มากในการที่อยู่ด้วยกันถ้าคนอยู่ด้วยกันไม่มีการไม่มีการเสียสละไม่มีน้าใจจะหาความสุขได้ที่ไหน พูดอย่างนั้นได้มีแต่ความเดือดร้อนปนวายเกิดขึ้นแต่ถ้าว่ามีการเสื่อมเผลอแพร่กันแล้วก็คนที่ไม่มีคนจนเขาจนเพราะอะไรเพราะก็จนเพราะขี้เกียจถ้าจนขี้เกียจเราก็ให้น้อยหน่อยเพราะเอะไรเพราะมันขี้เกียจถ้าว่ามันขยันอยู่แต่ว่ามันมีปัญหาประสบปัญหาไฟไหม น้ำท่วงเรื่องอะไรลักษณะนะั้นมันขยัน อ, ยอันนี้เราก็ควรจะแบ่งปันให้มีอยู่ให้กินเกือบจะว่าไม่ให้เดือดร้อนแต่บาคนขี้เกียจเราจะให้ไปมันก็ยิ่งขี้เกียจอีกเสริมความขี้เกียจของเขาอีกอันนี้เราก็ต้องแนะนําวิธีการทํามาหาเลี้ยงชีพทํามาหาเลี้ยงชีพยังไงเราจะแบ่มือขออย่างนั้นไม่ได้นะพวกทุกคนก็ต้องทํางาน เราจะไปทาอย่างนั้นไม่ได้นี่อันนี้อันนี้ก็สรุปแล้วก็คือให้มีน้ำใจมีเมตตาต่อกันสำหรับฝ่ายพระสงฆ์ฝ่ายพระสงฆ์ถึงจะไม่ได้ทำการทำงานแต่พวกเราก็เห็นว่าพระสงฆ์เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้เสียสละถ้าว่าพระสงฆ์อยู่เหมือนกับพวกเรามันก็เหมือนกับพวกเรา แต่นี้พระสง์ท่านตัดขาดออกจากโลกท่านมาอยู่ตามลําพังและถ้าท่านกอดทานอาหารเมื่อเดียวพอประทังชีวิตของท่านพวกคณะศรัทธาญาติโยมผู้สาวด ห, หาทรัพย์ตลอด24ชั่วโมงพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดแต่นี้พระสงฆ์ท่านก่อบาเพ็ญทางจิตวิญญาณร่วมบําเพ็ญทางจิตทางใจพวกเราก็เห็นว่าพระสงฆ์เป็นผู้ บำเพญ็ญเป็นผู้จังสมบุญกุศลตามหลักตจิตวิญญาณพวกเรานั่นแหละทำบุญทำทานถวายพระสงฆ์เพื่อให้ท่านดูได้ในเมื่อพระสงฆ์บางทีพอได้มามากบางทีพระสงฆ์ก็ได้มามากเพราะหลายคนให้เพราะบาคนนี้ให้ก็ไม่ได้ถามคนนั้นคนนั้นให้ก็ไม่ได้ถามคนนี้ต่างคนต่างให้มา ในเมื่อพระสงฆ์มีคุณธรรมมีศีลธรรมในจิตใจพระสงฆ์ก็ต้องพิจารณาอื้อเมื่อเราได้มามากเราควรจะแบ่งให้ใครเราก็ต้องแบ่งให้พระสงฆ์ที่ขาดตกปกพ่องก่อนอหมู่พวกเพื่อนที่ขาดตกปกพ่องเราควรจะแบ่งให้ท่านเหล่านั้นท่านมีความจำเป็นอย่างไรแต่เมื่อพระสงฆ์ที่เป็นหมู่พวกเพื่อนพอเป็นพอไปแล้วเราก็ต้องมองสู่ชุมชน ในเมื่อชุมชนให้เราเขาก็ยังให้ได้ยังถวายได้ยังมอบให้ได้แต่นี่พระสง์ก็ต้องมองดูชุมชนชุมชนเขามีความจำเป็นอย่างไรเนี่พอส่วนกลางเนะ่เขามีความจำเป็นไหมเพราะเขาเป็นเป็นคนหมู่มากอันนี้เราก็ต้องมองเออข่าใจโรงเรีย น, นเด็ ก, กลูกหลานของเขาจะเรียนหนังสือที่ไหนถ้าไม่มีโรงเรียนเราก็อเอาให้โรงเรียนหรือเวลาเจ็บไข้ในป่วยเขา ยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องมือแพทย์เอออันนี้ก็ปัจจัยของเราก็พอเป็นไปได้อยู่เอาแบง่งแต่เครื่องมือแพทย์นี่แหละสรุปแล้วเมื่อพระสงฆ์ได้มาพระสงฆ์ก็ต้องมองมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองรอบด้านรอบข้างนี่แหละอันนี้ถ้าว่าพวกเรามีน้ําใจต่อกันอย่างนั้นหลวงพ่อว่าโรกทั้งโรกก็ร่มเย็นเป็นสุข แต่ว่าอย่าให้มันเกินไปเท่านั้นเกินไปก็คือยังไงเมื่อพระสงค์เขาให้มาแล้วก็ยังไปแพ่ขอเรียร์อะไรอีกจนเดือดร้อนวุ่นวายทั่วบ้านทั่วเมืองเอออันนั้นก็มันก็เดือดร้อนไปไม่ถูกแต่ถ้าว่าบอกกล่าวธรรมดาพระสงค์เป็นผู้นำใช่ปัจจัยมันมีอยู่แต่มันไม่พอแต่จะต้องให้ชุมชนและสังคมพระสงค์ก็เป็นแกนนำมันเป็นแกนหลัก แค่แค่ว่เาเป็นเป็นหลักยึดถ้าจะให้เขาพูดกันกันเองมันก็พูดไม่ได้เพราะต่างคนก็ต่างเกรงใจกันพระสงฆ์เป็นหลักให้ทราบใช่ไหมพระสงฆ์บอกเออเอาใครพอที่จะมีกําลังามาช่วยกันนะในจุดนี้โรงเรียนนะโรงโรงพยาบาลนะเครื่องมือแพทย์นะเป็นไปได้ไหมผู้ที่มีกําลังแต่ถ้าไม่มีกําลังก็ไ ม, ไม่ไม่ว่ากันกําลังอันะไรคืออะไรกำลังทรัพย์ น, นะ บางทีมีอยู่กําลังทรัพย์บางคนก็พอที่จะเจียดได้เพราะบางทีมันก็เหลือเฟืออยู่สําหรับครอบครัวของเขาพอที่จะให้ได้เพียงแค่นี้ไม่หนักหนาแต่ได้ต่างคนก็ต่างเจียดออกมาพอเจียดออกมาก็เป็นก้อนเราเป็นก้อนแล้วก็เป็นสาธารณะที่เราก็ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือให้แก่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเป็นของใคร ก็เป็นของพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าเนะี่ยแตอย่างที่หลวงพ่อซื้อเครื่องสองกล้องโอลิมปัสนะกับคณะนะส อ, สองล้านกว่าเกือบสามล้านนะเดียนี้ก็ยังได้ใช้อยู่ในโรงพยาบาลใช้เพื่อใครแต่หลวงพ่อผู้ซื้อหลวงพ่อไม่เคยไปส่องกล้องในในในลำไส้ของหลวงพ่อนะแต่ฟังฟังดูแล้วมีมากมายหลายคนที่ไปส่องกล้องในเครื่องโอลิมปัส เครื่องนี้ในเมื่อซื้อเข้าไปแล้วกัเป็นประโยชน์ต่อใครเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไม่ใช่แต่เฉพาะจังหวัดอุดรเลยมีถึงประเทศลาวนะเมืองลาวเขาก็า ม, าามารักษาโรงพยาบาลศูนย์อุดรห น, นองคายจุขนนครนครพนมหนองบัวลําพูในจังหวัดเลยนะในถิ่นนี้เนี่ยไม่ว่าแต่ถิ่นนี้แหะถิ่อื่นที่มาเจ็บไข้ได้ป่วยก็พร้อมที่จะรักษาได้ นี่แหละอันนี้ถ้าทำซื้อไปแล้วทําไปแล้วเป็นประโยชน์แก่ใครเป็นประโยชน์ต่อคนในชาติไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดนี่แหละสรุปแล้วก็คือใช้ปัญญาใช้แนวความคิดใช้แนวสร้างสรรค์ให้ให้สร้างสรรค์ให้มีเมตตาในใจอย่าให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอแต่สิ่งไหนที่เกเดือดร้อนอย่าทำํำอย่าทํานะ ถ้าตัวเองเดือดร้อนอย่าทํานะแต่พอที่พอที่จะทําได้ให้ทําให้ช่วยกันทํานะเพราะเหตุอะไรหลวงพ่อยังบอกว่าจะเป็นเงินประเภทไหนก็ตามบริษทัททางร้านที่ร่ํารวยขึ้นมาได้ไม่ใช่เงินบริสุทธิ์ทุกบาททุกสตางค์อย่างนั้นก็คงจะหาไม่คงจะมีเงินบางประเภทบ้างที่มันถล่มเข้ามามันผิดประเภทหรือมันมันผิด เออไม่ค่อยถูกจะถูกต้องเท่าไหร่บางที่ว่าโคดโกงแบบไกลๆอย่างนั้นอ่ะแต่ไม่ชึิงเอาจากคนที่ไม่รู้มันก็ยังมีอยู่ใ น, ในหลายๆเงินนั้นนั่นแหละเงินประเภทอย่างนั้นแ่ะเป็นเงินที่เป็นบาปไอ้ที่เงินที่เอาจากเขาที่ไม่รู้ที่เขาไม่พอใจไม่เต็มใจไอยแต่เขาแต่เราไปเบียดบังเอาจุดนั้นอ่ะนั่นแหล ะ, ละจุดนั้นแ่ะมันเป็นบาปถ้าเราเอาเงินจุดนั้นอ่ะไอ้จุดที่มันเบียดบงัง เขานิดหน่อยนะึมันหลายครั้งต่อหลายโหนะเออมาเสียสระซะมาซื้อเครื่องไม้เครื่องมือสร้างโรงล่ำโรงเรียนให้แก่ชุมชนเอมันก็จะเป็นการถ่ายบาปให้ตัวเองถ่ายบาปให้กิจการของเราถ่ายบาปให้ลูกให้หลานเนี่ยจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นิริเป็นมงคลเพราะเงินก้อนนั้นก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าค่ะนี่หลวงพ่อว่า ถ้าเราคิดให้ดีอต้องคิดให้กว้างคิดให้เป็นธรรมเพื่อการ ช, ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์พี่น้องประชาทนทุกหมู่ทุกเราหลวงพ่อว่านความร่มเย็นเป็นจุกก็จะมีขึ้นแต่ถ้าว่าพวกเราเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ใัยเห็นแต่วงสาคนายาติเห็นแต่ญาติพี่น้องเห็นแก่ปากแก่ท้องตัวเองไม่เห็นแก่ใครโลกทั้งโลกก็อย่างที่ว่านะใครมาใกล้ก็ไม่ได้ เหมือนงูเหมือนควายเหมือนหมาไล่กัดด่ไปหมดหัวไว้เอปัวควายเห็นมาใครมาใกล้ก็ชนดะไปหมดไม่ให้ใครมาใกล้แถบนั้นเป็นคนกูเหมือนกันถ้าใครมาใกล้ก็ไม่ได้อกัดด่ไปหมดทะเลาะด่าไปหมดนะอย่างนั้นแปลว่าพวกเราอยู่ด้วยกันหาความร่มเย็นไม่ได้ยังมีแต่ความเดือดร้อนนะี่แหละ ทำคำสอนของพระพุทธศาสนาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลยถ้าเรานํามาวิเคราะห์มาพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วทานะคำเนี่ยเรื่องการทานบริจาคทานเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อโลกอย่างมากถ้าโลกทั้งโลกขาดการเสียสละขาดน้ําใจต่อกันแล้วโลกทั้งโลกก็อย่างที่ว่านี่นอย่างที่หลวงพ่อไปเห็นในคุกในตารางเมื่อวาน ไปเห็นแล้วก็โอ้ลูกหลานคนในชาติเขตั้งสองพันกว่าวัยกำลังทำงานวัยกำลังที่จะสร้างสรรพประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญได้กลับมาอยู่ในกลงในขังซะก็หมดโอกาสในช่วงนั้นแต่เขาคงแต่ดูดูเขาแล้วก็คงจะได้ออกมาแล้วกวคงจะเป็นคนดีได้เพราะงั้นแต่ถ้าเขาจะเป็นคนดีนะ เว้นเสียแต่จะเป็นสั้นดอนชั้นดานของเขาออกมาแล้วก็ยังกลับตัวไม่ได้ยังยินดีในความชั่วอยู่อันนั้นมากับสุดวิสัยเพราะมันเป็นสันดานมาจากเก่าแก่ดึกดาบันแต่หลวงพ่อว่าท่าว่าพวกเราได้รับการอบรมในการแนะนําที่ดีเอรู้จักเขารู้จักเราค่รู้จกัจ ก, จากการธรรมะหาเลี้ยงชีพให้มีน้ําใจต่อกันให้มีเมตตาต่อกันหลวงพ่อว่า ประเทศชาติโลกทั้งโลกก็ไม่มีพิษมีภัยต่อกันแต่เห็นพิษภัยทุกวันเนี่ยพเหตุใดก็อย่างที่ว่านะเห็นแต่โมโหโกธาโลบโกตหลงต่อกันมีแต่ราคะโทสะโมหะหันเข้าหากันมีแต่ไฟสูงกันเห็นอะไรก่ลืมตัวไปหมดเพราะตกทุกข์แต่ยางยังค่อยนั้ลึกถึงคุณงามความดีจึงนลึกถึงพ่อถึงแม่ ถึงครูบาอาจารย์แต่เมื่อตัวเองอยู่ธรรมดานนกินเหล้าเมายาจำเรเทเมาลืมไปหมดเลยทำความชั่วเสียหายเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะพวกเราลืมตัวสรุปแล้วลืมตัวแต่ตามจริงกันมาอยู่ในโลกนี้หลวพ่อเคยพูดบอกว่าเราพวกเรามาเกิดในโลกนี้ให้เหมือนกับไตโลดเส้นเดียว ให้เราเวียงมาวังถึงขนาดนั้น่ะสิ่งไหนที่มันชั่วอย่าทำอย่าคิดอย่าพูดในทำสิ่งที่มันถูกต้องแล้วนั่นะถ้าเราเดินแข็งแกร่งในอย่างนั้น่ะก็ไปสู่จุดหมายปลายทางได้แต่สิ่งไหนที่มันไม่ดีเราดูแล้วไม่ดีอย่าทำอย่าคิดอีกต่าแล้วก็ไม่ต้องพูดทั้งที่รู้เออไม่ใช่ว่าเรารู้อะไรเราจะพูดทั้งหมดไม่ใช่ถึงจะรู้เราก็ไม่พูด ถ้ามันไม่เกิดประโยชน์จะเกิดโทษในกต่างหากยิ่งไม่พูดนะ่ะเนี่แหละอันนี้ทำกูเหมือนกันนะเราก็ต้องดูในการกระทําของเราสิ่งไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์เราอย่าทำาทําไปแล้วมันเป็นโทษนะ่ะออันนี้ก็อย่าทําอย่าคิดอีกต่างหากคิดขึ้นมาแล้วเบียดเบีย น, ยนตนและผู้อื่นคิดไปแล้ววันนะั้นะเป็นหนทางที่ไม่ดีจะเอารัดเอาเปรียบเขาอย่างนั้นจะโคดจะโกงเขาอย่างนั้น หาช่องทางหลบหลีกเมื่อทําความชั่วแล้วหลบหลีกเขาอย่างง้นอย่างนี้ล้วนแล้วจะเป็นความคิดบาปทั้งนั้นเนี่ยมันความคิดที่เป็นบาปตรงนั้นแหละคิดก็เป็นบาปเนีพอทําออกมากกเป็นบาปสองพอพูดออกไปเป็นบาปสามบาปมันมีอยู่สามบาปนในใจของเราบุญมันก็เป็นเหมือนกันนะบุญก็สามบุญเหมือนกันบุญในความคิด ระ ล, ลึกถึงคุณงามความดีระ ล, ลึกถึงผู้มีอุปการะคุณระลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้ระลึกระ ล, ลึกถึงคุณท่านคุณทานคุณศิลคุณภาวนาคุณงามความดีที่เราสังสมมาบุญกุศลที่เราได้ทํามาแล้วระ ล, ลึกขึ้นมาเวลาใจของเราขอเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราโน้นึกถึงการฆ่าเนี่ยนั่นแหะก็เป็นบาปอรับพรในทะอ น, นี้อนุโมทนาให้พ้